ธรรมะที่อย่างจิตใจจะจินสบายได้ตามเพียงธรรมะตัวใจอยู่ที่อืน่นที่ไกลยอยู่ที่กายที่ใจของพวกเราทุกคนแต่พวกเราท่านโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ที่เรนาเป็นธรรมะตัวใดที่เจรนาเรื่ออืน่นจิตตัวเองมาออก ลองเที่ยวตามสัญญาลงอี่ในน้องติดเข้ามาพิ่เจรณาขาดฉันสิ่งพวกนี้เจ้ามันอยากเราเป็นธรรมะใะนั้นความหลงเชื่อเชิญในเรื่องอี่จสิ้สบบบนช้าบอกพิธรรมะธรรมะตัดเนี่ยเกิดขึ้นจิตใจที่ ยิ่วุ่นไปตามสัญญาอารมณ์นั้นเป็นจิตใจที่เสียทุกข์จิตใจมีธรรมะเป็นจิตใจที่มีความสุขธรรมะจิตใจที่จะจารณาเท่าไรใจเย็นเย็นใจสบาย เราหลงโดยส่วนใหญ่หลงเลือของตาเบื้องต้นการจิตฝึกผลให้พวกนักธรรมะผู้ปฏิบัติพิจารณาใจแต่เป็นลมหาใจตตามะเก็ยเจีสาโลมาลักษณะต่างๆถึเป็นผมฝนและฟันต่อตามจิตใจเราพิจารณาส่วนนี้ แต่ใจมันไมาหวาสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ที่เจรณาตามอาการตามความเป็นจริงท่องมันจิตใจจะมายึดมากจะมาหลงติดทจิตใจหลงติดจุดข้องต่างๆกอดล็อกเหยื่อขี้หนึ่ที่เจรณาตามความเป็นจริงท่องมัน ต, ตามจริงของขาดฉัน ว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นของตกระปกุกโดยธรรมชาติเราเองหาที่เจรจาอๆจะทราบได้เพราะอะไรที่เขามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นของะจะดีเด่นสวยงามขนาดไหนก็นจะต้องตกระปบกไปตามตาเส้นขาด ความสบายที่เรานำมาทานก็ต้องปกปปกทำให้จับพกานอกนั้นอาหารก็่อยู่ในถ้วยในจานกลินรสก็ยังดีเมื่อเข้ามาสู่ปาสู่คอของเรายิสู่ตัวของเรารับารส้าติรสกลิ่นนั้นก็จะหายไปเพราะร่างกายของพวกเรา ทุขวิญงญ า, าเป็นของสุขภพเมื่อเห็นว่าหลานาวเป็นของสุขภกในควรนกำหนักในควรนยินดีจิตใจรู้ชักเฉ่งแจ้งอย่างนั้นพในคิตทอในเกิดตามกำหนักในเกิดตามลหลงไหลจะเห็นตามจนจรงจิตใจที่ มาเห็นตามเป็นจริงยงวุ่นไปตามสมมติส่วนใหญ่เขานิยมอย่างไรโดยหนึ่งที่เจรมาในเกมใส่กัะเปลยนก็เลยหลงไปตามสัญญาโหมดนั้นจิตใจทั้งพวกเราท่านจป็นผู้หลอกลวงนำทุกมาให้เพราะความละตามสอบใจเป็นบอกเกิดของความทุกข์ สิ่งใดที่เรารักเราสงวนเราสอดใจสิ่งนั้นแหละจะเป็นภัยอันตรายมาถีงเรานําภูมให้เสิ่งใดที่เราต่อยปละเลยวางทิ้งได้สิ่งนั้นจะเป็นภัยอันตรายจิตใจเบาสบ า, า, ายก็ธารามยุตีธรรมะสอนต่อมาภายในอย่างนี้พวกเราท่าน ดวงาการที่จะเรียนภาพขันเป็นจนธรรมะภายใน้าหกรู้ธรรมะภายในการสมมติภายนอกจะอ่านนัสือเนยออกเขียนไน่ได้กว่ตาจะคำรู้ความข้าใจจะจากชัดเจนในเรื่องของภาพขันมายึดมั่นืีมั่นในส่วนส่วนของร่างกายจิใจ จะต้องเบาจะต้องสบายคนอื่นเขาจะรังงงเงาเตาถึงขนาดไหนแต่เราเองรู้สึกเรื่องใสตัดตารู้สึกมีความเป็นจิตใจในการเป็นอยู่ของตนเพราะเราพิจารณาตัวก่อนที่เราเคยคิดชอบม่านไม้ไอรูเสียง อย่าลาต่างๆจิตใจของ t ảng t ảng. เราวุ่นวายเป็นทุกขนาดไหนเดี๋ยวเราที่จะนาแจ็คใส่ปวดเที่ยงเงียงหน่อออกไปในมีอะไรเกี่ยวข้องจิตใจเนี้เราบรรเบาสบายเย็นๆขนาดไหนเรา à, จะทราบชัดจากตามปฏิบัติของเราถ้าจะไปยึดถือจะมดมันหม เรื่องภายในอกจิตใจโปยยิ่งไปยิ่งไปใหญ่ปุ่นไปใหญ่เป็นทุกไปใหญ่ดังนั้นการแก้ไขจิตใจจะให้เบาสบายพ่ต้องอาศัยที่เจรณงโนธรรมออมาเป็นท่าไหนแก้ไขจิตใจของตัวเองในกองไปส่งไปถู่ส่วนอื่แต่ส่วนมากจิตใจที่อบรมไม่ ความอยากจะตายแก่ไปสู่สัญญาอารมณ์ต่างๆชาหะไม่มีสติเหนียวร่างเอาไว้ไม่มีสัญญาแม่สอนจับนักจยากจะไหลไปตามอารมณ์สัญญาต่างๆเมื่อจิตใจเป็นไปไหลตามอารมณ์เราเกาะกิแม่สอนตัวของตัวเอง แต่ก่อนเราเคยคิดนึกรต่ลุงแต่ติดตามอารมณ์จิตใจสักเราได้รับความเบาสบายอย่างไรเยาดเย็นอย่างไรเราบอกพอทราบว่ากัการลุงปุ้งโดยตามปัญญาอารมณ์อนั้นนั่นเลยมีความเบาความสบายหยาดเย็นอะไรเกี่ยวนั้นเราจึงเดิหันหน้าออามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติทางพระพุทธ้าตสนาเย็นนี้ถ้าหามันวุ่น พุุ่งไปตามสัญญาอานั่นน้อเราจะหักข้ามเอาไว้สอนใจของตัวอย่างนี้สัญญาอารมณ์ภายนอกจะผ่านเข้ามาสู่ใจเราอย่าไปใส่คิดอย่าไปติดตามพุ่งพุ่งขึ้นจากจิตใจเองเราพอใส่ลังดับเอาไว้ ใจของบุคคลที <sw at PC team> ่ม <cricket dive down> <le> <k lithium> ีส hmm> ต <sk> <mañana> ิมีปัญญาในสอนตัวเองอย่อย่างนั้นใจของท่านคนนั้นหละจะได้รับความสุขความสบายเมื่อเจอสงบพอจะสงบลงได้เมืเคยเห็นอัตจันร์จะอัคคำผีพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนพอจะเกิดความอัจรนท์สุขความสุขความอัตจันทร์เพราะคาเป็นความสุขล้ำชา ขันจิงสา ม, มารถอยู่ได้ใน่ถามที่กวกไปยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่า น, นจะะึงัต่ละชิ้นทุกอย่างขันสมบูรณปูนสุขปวดหัง ท, ทางโลกทางอา น, นิจต์แั่คนธรร ม, รมดาต้องติดข้อไม่สา ม, มารถที่จะออกออกจกปฏิบัติอยู่ฝ่าอยู่เขาได้อาหารตามกิน ก็ต응้องอาศัยคนบ้านป่าบ้านเขาเขามาให่อย่างไรก็ตอนนี้จันไปอย่างนั้นแต่ท่านทําไมอยู่ได้า็เพราะท่านเห็นความอัศจรรย์ของธรรมธรรมมีรสชาติยิ่งกว่าให้หารของกลางธรรมมีความถูกความสบากว่าอนิจทรท่านจึงไม่ติดข้อท่านจึงอยู่ได้ มีเป็นเรื่องที่จะตําระทจิติมานะของพวกเราเ็คยอยู่ในที่สะดวกสบายเคยอยู่ในที่ตันดารเลยอยู่ในที่เป็นทุกข์อะไรก็มีข้อมูลสมบูรแต่ปกติคนที่อยู่ในบ้านในเมืองในตุง เข้าป่าเข้าเขาก็รู้สึกหนักจิตหนักใจคนอยู่ตาอยู่เขาเข้าไปในปูปนักจิตหนักใจเหมือนกันแต่ที่อยู่ได้ป่าทีนไป่อนนานๆเข้าจิตใจของเราจะเคยสิในเรือนั้นเราจะเบาจะสบายจะสะดวกเพราะใช้เจ้าเคยมีบริษัทบริวารเอยู่ลาซาลาสเวแต่เมื่อดจิต จิตใจเป็นถึงความสุขความสบายมีอัตมีธรรมสมบูรณ์ในพระไทยตรปิฎกองค์แล้วพระองค์ทรงเฉยเรื่องลีเล่เรื่องป่าว่าเป็นสุขยวดยิ่งกว่าความสุขส่วนอื่นเพราะการอยู่อป่ามันสบายสบายทุกอย่างถึงการอยู่ป่าในลําบาก อยากเย็นจะขอโทษทายหนักทายเบาก็สบายกว่าอยู่ในบ้านนั้นเมือพอเราไปไหนมาไหนมันมีอะไรมาเกี่ยวข้องหนุนวาสบายที่อย่างวีเรสเป็นเป็นที่สั่งของอัศวกตรมงรรอย่างนี้วีเจะตาอีการวิเรสอยู่ในป่า ใจดี้วยแม่ไปเกาเกี่ยวฟุ <or sollte. S 2> ้งฟาูกคนใจก็มัอยากจะเกี่ดีด้วยคือสงบสัญญาอารมณ์ต่างๆเีดแผิ้งเป็นเี่ยมต้องทำไตามปฏิบัติโยคะว่ายจอนู้มุงหนา จะออกจากโลกโดยส่วนมากอากอดแสแหงแต่ถามที่ีๅเร่แต่ถามที่ใดฤๅเร่แต่ถาม ท, ท, ที่นั้นท่านชอบท่านพอใจพวกเราที่มุ่งหน้าหมื่งตาอุตส่าห์าจากทางไกลฤๅในบ้านใลยสองกัเหมือนกันก็เข้ยนบาว่าเป็นขีเร่แต่งอกแตงอก ภายในบ้านค่อยออกมาดําสีมาภาวนากันเมื่อออกมาถึวางวัดป้อนวัดดูจิตดูใจของตัวเดี๋ยวนี้มันมีวัดอะไรภ า, า, า, า, า, าวนาวาัียวัดภาวนาวัดมีเยอะไหมหรือมันมยังวิ่นวุ่นไปตามทั้นยางอารมณ์ต่างๆอยู่วัดแต่จิตใจยังห่วงบ้านห่วงช่องส่วนสิ่ห่วงของต่างๆ นั้นไม่ใจว่าเรามาวัดหมดทั้งตัวมาได้แต่เพียงใจขนั้นเมื่เป็นอย่างนั้นจิตใจของเราท่านที่ชอบสงบสงัดก็มมีโอกาสเวลาที่จะภาวนาให้จิตใจสงบสนักได้เพราะมันยังยื่นไปอยู่เรื่องนอกอยู่ผ่นจิงสอนในผูกติดผูกใจในบริสรรมภาวนา หรือจะเพ่งทีนี้พิจารณาอันหนึ่งอันใดในใจปรุงชีพติดข้อในอดีตหรือเื่องภายนอกต่างานี่เป็นเรื่องสุดใจที่จะให้สงบกันเป็นเรื่องปฏิบัติเบ้องต้นทุกคนจะต้องฝุดตัวอย่างนั้นถ้ไมฝึกอย่างนั้นจะปล่อยให้มันไป ตามอัใจที่เคยกินมันก็ไมมีวันที่จะสงบระงับได้เมื่อไม่สงบระงับจิตก็ไมเบามสบาเมื่อไม่เห็นความสุขความสบายของกามเขวะหรือารไปเึ็หักภาวนาตัวเบียร์นานอยู่อยู่ในบ้านในช่องดูเรื่องอื่นต่างเรื่องอื่นดีกว่าสามจุด น้ำแดดปุ่งปุ่งไปแดดนั้นถ้าเียงทางอจธิการจากตามประเชืปฏิบัติจิตสงบสงบลงรวมเบาายเบาใจเคยมีที่ไหนเดี๋มาเคยเห็นแดบไปที่เคยถามในชีวิตว่าความสุขความสบายทางอัธิการอย่างนี้จะมีในที่ไหนจะมีเงินทางเข้าคลังมาก น า, ายจายกองขนาดไห น, นจะไปจ้างดู่ทำสุขทมสบายอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะจ้างดูไดน้นอกจากจะปฏิบัติตัวของตัวเองให้เห็นให้เสรขึ้นจากการแต่ทํำโอกาสเวลานี้เป็นโอกาสที่ดีเหมาะสมที่พวกเราทุกคนจะตั้งหน้าตั้งตาง ภาวานากำหนดจิตตามทางเชื่อนี้เป็นปู่ฟังใจให้ตำหนดจิตของคนอย่าส่งออกไปภายนอกหากาตาาั้ง็นตั้งจิตไว้ดีสา ม, มารที่ารแสดงออกไปจะรั่วเหลเข้าไปสู่ดวงจิตจิตจะค่อยเบาค่อยสบาย จะใจสว่างสวยจะความเป็นสุขขึ้นถ้าเราตั้งจิตใม่ดีเป็นเอียงไปในทางไหนถึงจะเพีรหนักเบาขนาดไหนพูดธรรมะภายในดีดีเขียนใสขนาดไหนใจของเราไม่รับก็ไม่เป็นผลเป็นประโยชน์พอเราตั้งจิตของเราไว้ใม่ดีแต่น้ำตาลทางเพียรก็เป็นโอกาสอันหนึ่ง ซ oh ึ่งจะฝึกข <scores strip> <yas> ับอบวมจิตเพื่อให้จิตได้รับความสงบได้รับความสบายสังเพศนั้นต่อมจิตให้ลงรวมเป็นสมาธิการฝึรในการสังเพศจึงเป็นวิธีหนึ่งส่่จูอาจารย์หัวไปจิกกันแต่ถึ่อย่างไรก็ดี การตั้งเครียดจากคนอื่นบ่มีเป็นสร้างเป็นผลเป็นชาวเป็นสมัยกายงเครียดจากใจของตัวเองเป็นของสำคัญเพราะทำมื่อาดเราจะหลาดฟาังจะรู้จะเห็นจะได้ยินใน้ฟังทุกวันทุเกเวลาเพราะธรรมะมันเกิดมันดับอยู่อย่างนั้น เจรณาในเห็นตามเป็นจริงของธรรมะธรรมะก็ไม่อวดอยากอยากจนคนที่ฟังธรรมะเป็นคนที่ฟังธรรมะไม่เป็นทิ้งจะฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจกายใจของเราเป็นตัวธรรมะแท้งหล่ะรูปปรธรรมนามธรรมสิ่งที่เรามองเห็นโดยตาเนี้ การรียรว่ารูปแมคือมีอนิจจงตามและปวนเปลี่ยนแปลงกวกไปจะเร็วหรือช้าตามเรื่องของวัตถุนั้นนะเรจะต้องแกะปวนไปตามธรรมชาติของมันผลที่สุดปวแต่สลาดไปสู่าเดินของมันหากแสงของพวกเราเหมือนกัน ยิงาที่เราสมมุติบอกว่าโเาสมมุติอย่างนั้นคามจริงใครแย้ใครแย้ฉันออกดูจะรู้ว่าเป็นภาพไม่สมไม่ใชคนไม่เคยจับไม่เยยิงไม่คจับความจริงมันมีอย่างนั้นถึงเราไมา่แยกแตที่แจนา ยิ่งตามจนเวลามันแตกสระายมันก็จะไปตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นในคิดเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าเราศึกษาธรรมเราฟังธรรมเราพิจารณาธรรมจิดจิตกลุพิจารณาธรรมอย่างนั้นจะมีวันเบาวันสบายวันสงบวันเย็นเย็นเกิดสว่างสวัย รู้แจ้งแทงตลอดหมดห่วงหมวดสงสัยการปฏิบัติทำสีพระพุทธเจ้าแน่สอนสอนให้เป็นโอวตโนยิปูเห็นอะไรได้ยินอะไรน้อมกลมสอนใจสอนใจของตัวเมื่อเราฝึกซ้อมยรื่องแงสอนตัวอยู่ประมาณเสมอจิตใจที่เชืติดข้อง มันปล่อยวางไปอย่างไรเราควรจะทราบครับเพราะธรรมะเป็นตัดแต่งหรือเป็นสันติสุได้เห็นเองเข้าใจเองในการปฏิบัติของตัวในต้องเชื่อจากปากของบุคคลผู้อื่นพราะการปฏิบัติรู้เห็นเป็นขึ้นมันมีคุณค่ากว่าจากวางเราฟามจากคนอื่น ฉะนั้นทุกท่านจงตรวจหกดปั่วผมจิตถ้าอยู่จะให้ตรงพุ่งใจตามเส้นยาลงมุ่งมั่นจะให้จิตสงบรงรวมจะเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในศาสนาว่าษาสน า, ษา เป็นช่องดีท่องเด่นยังคงเส้นคงวาโอเคว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติทานไปมัดผลทำครอบครัวด้วยหมดพวกเราเกิดมาใหม่ไทยหลังได้ยินในความ c o ม m e เกิดมาเกิดผลอะไรจะไม่เกิดต้งสัยอย่างนี้เพราะเราฝึกอบรมตัวของเราเราได้เห็นความสงบความสงบความอธิจารย์ความ ไม่อย่างนั้นจะเรียนตามแบบตามตำราแต่ไม่เดนฝึกขัดดับตัวเลยพอมีโอกาสเวลาจะเชื่อถึงจิตถึงใจจะสงสัยเลื่อยไปเด็กนั้นผู้เรียนตามสําหรับตำราจบเรื่องท่องศาสนาจบทข้าใจตีดกมาจึงอยู่ในศาสนาในดับมีผมเสิดปั ผู้ที่ไหนเรียนอะไรแต่ผป็นจิตเป็นใจตามแบบธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนรู้เห็นตามเป็นจริงจึงจะตามประพติปฏิบัติก็มีมากมาเหมือนกันแต่นั้นตามปฏิบัติจึงเป็นของําคําเป็นตัวศาสนาเพระพระพุทธเจ้ า, จาปฏิบัติมาจนเป็นปฏิเวษ จึงมาตั้งปริยญญาคือสมุทรแนอนคนอื่นแต่พวกเราปัจจุบันต้องปริยัาปฏิบัติจรจัดตัวแทนที่จะเรียนปริญญตได้แล้วปฏิบัติกายใจให้เจียนไปตามธรรมะเหมือนนั้นจนถึงขั้นตัวเทนคือความรู้แจ้งแทงตลอดไม่เจนแค่อย่างนั้น พอได้ธรรมะศึกษาธรรมะจากปริยรัติมาพอเลยคิดว่าเรามีความรู้เรามีความ้าใจส่วนที่เหลือกันหามาหน้าทุกข์ทุกสมุทัยนี่อยู่อย่างไรในเคยเนีย่ยหายใจจากใจยิ่ง เ, เ, เพิ่มเติมที่เหลือกันหามาขึ้นใครมาตาวตูดูถูกนิดหน่อยเพราะว่าเรารู้เราเข้าใจเราเรียนธรรมะจบ กัรนั่คันนี้นะจะมาดูผูกมิตราเราไม่ได้จิตมักแอบยนอาศัยอย่างี้าหากด้านปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นกาปฏิบัติตัวของท่านถึงไม่รู้ม่สนใจฝังฟางแล้วอนคนผู้อื่นได้แต่จิตใจของท่านเบาสบายพูดทำนั้นเป็น ทางจิตทางใจทางสติบัดท่ายอมเชื่อยอมฟังแล้วตัวของท่านตัวู้นเหนตามเป็นจริงอย่างนั้นนี่ธรรมะสี่ทรานพุทธเจ้าเนี้สอนเน้ยสอนที่อืน่นท้อที่เหลวเกิดขึ้นจากที่ใดความดับที่เลวตัวมีอยู่ที่นันความทุกข์มีอยู่ที่ใดความดับทุกข์ก็จะเกิดขึ้นจากที่ทนั้น เหมือนการตอกไฟมันร้อนก็เกิดขึ้นจากไฟเมื่อดับได้ความเย็นก็จะเกิดมีสิทธา์จางสารที่มันร้อนการที่เจนมาการหมุนจิตการฝึกหัดจิตใจเพื่อเจนไปในทางส่นทุกข์อย่าไปกลัวทุกข์ถ้ากลัวทุกข์อะข้ามทุกข์ไม่ได้ มันจะพุกมาขนาดไหนที่เจรนาให้เห็นตามเป็นจริงให้เกิดปฏิบัติทพุกแต่ว่าทุกใส่เนีตามเป็นจริงแบบไหนพุกมันอไหเราเรามันจะทพุกจนไปจับชัดเยนในใจว่าคูอพุกเมื่อไหเราเรามันจะทพุกจริงจริงตอนนั้นแหละ แก่ใส่อะไยงารแต่การปฏิบัติริ่ปฏิบัติกันฝึกัไรวมกันไปใจเนี่ยึบ่อยวมบ่อยหัตอบอย่อวันที่จะาบาหายจากคามต่หมอคุณมต่างๆสนิฝึก ถอบรมเกี ạ, ่ยวกัจิดใจของตนอย่างเราฝึกอบรมเพื่อคนอื่นเราฝึกอบรมเพื่อจะแก้ตัวของตัวจี่ติดข้องจิตสงสัยจิตเป็นทุกข์ถ้าเรารู้เราพอใจว่าเราฝึกเพื่อเราเราแส้เพื่อเราเราแก้ไขเพื่อเราเราจะมีจิตใจอยากจะทำ เพราะตัวของเรามีทุกห้อง้มียทุกการทุกเวลาจิตในคยได้รับการรักษาในเจไดรับความเยียนเาสัญญาอารมณ์อื่นมาดึงจิตดึงใจไปทางไหนเสียเมื่อเป็นเส้นน้ำแท้จริงใ กำหนดเอาสติกำหนดบทบริธรรมหรือลมหายใจแล้วแต่อุปนิสัยของใจที่จะได้รับความสุขความสงบจากทาอะไรเป็นถูกเท่นั้นอย่าไปคิดว่าอันนั้นมันผิดอันนี้มันถูกมันถูกสำหรับบุคคลผูกผิด ยุบเนาะเขาเนาะเขาสุดการแบบนั้นใครจิตของเขาจงดหยับเย็นเขาดถูกของเขาเราคิราพุทโธทำมสังโคหรือหลหาใจแต่จิตของเราเบาสบายมันได้จากส่วนนี้เราปฏิวเาเหมือนกำจับยาใชถูกยาจะเหมือนใ้หร จะไ่ไดรู้ว่าใส้คามยาวนะโรคไทยมันจะหายไปเองถ้ายังเป็นยาดีที่เสียแต่เรามาปกขั้นหรือรับทานโรคไทยของเราไม่เสียหายไปจะเมืเ่อยานั้นก็ดีสาหรับผู้ที่โตปูกกับย า, นะ ส, บบยานะส่วนเราไมา่ปูกต้องเอายามายาอะไรที่เรา ดูกตโรคของเราโรคไข้ของเราหน้าวายไปได้ปวดตบหนายานัมาทานถึงจะเป็นยาราพัถูกกวดตามแต่โรคไข้ขอเราันหายมีการฝึกอบรมทางใจก็เหมือนกันเราจะกำหนดลมหายใจกำหนดจนจิตใจมันลงได้รวมได้มันเบามันสบายใจ พองเราข่าละเอียดลงไปลมหายใจก็จะต้ อ, ลต อ, อง ล, อลงะเอียดไปตามพอใจสงบลมจะขาดเน็ต่าวว่มันออกไปที่ไหนคงออกได้ทุกขุนพลลมละเอียดจาชื่อว่าพระที่เ่านี้หลวงสมาบริมีลมหายใจพ อ, จอใจทั้งทำละเอียดใจทั้งทรวมทุกที่ เด็กในชันหนึ่งมีลมหายใจคนดำหน้าหนึ่งมีลมลมหายใจมีท่านเข้าจิตได้สนิทก็เป็นอยากนะตามหายใจอยากเท่าไรเรียนชนะกว้ า, างคือเป็นทุกมากตามหายใจละเอียดเท่าเท่าไรจนลมหมดก็จะรู้สึกว่าความเบาความสบายมีมากสุดแล้นมีตามสุด ในเรื่องของลมอย่าไปพอใจเราหมดเราตายมันยังไม่ตายแต่มันยังรูอ้อยู่